นาปฏิวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตรคือ896 1. ิกภิกษุณีไม่เย็บในเมื่อมีอันตราย 2. ภิกษุณีสแสวงหาแล้วไม่ได้ 3. ภิกษุณีกำลังทำการเย็บพ้น 4-5 ถึงวัน 4. ภิกษุณีผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุณีวิกลจริต 7. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่3